สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซู ต, ตอนที่97นะครับเป็นพร อ, อย่างที่สามพรประการที่สามหรือความสุขที่สามนะครับก็คือ on on, on อ่อนโยนโอนมรดกพราะเจ้นาพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อที่ห้านะครับโปรดฟังพ้อเจนจาของพระเจ้าบุคคลผู้ใดที่มีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกโปรดฟังครั้งนะครับ บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกพี่น้องครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาหลักในวันนี้นะครับผมขออนุญาตทบทวนพรนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองเพื่อที่จะเข้าสู่พรประการที่สามในค่าววันนี้พรประการที่หนึ่งนะครับก็คือบกพร่องครองแผ่นดิน ขอเพเจ้านะครับได้บอกชัดเจนนะครับบุคคลผู้ใดที่มีความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขานะครับนี่คือพรประการแรกครับเป็นพรประการแรกที่จะต้องต่อเนื่องไปสู่พรประการที่สอนะครับก็คือบุคคลผู้ใดที่โศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปอบประโลมนี่คือโศกเศร้าเล่าลมนะครับนี่คือเปดพรประการที่สอง เช้าวันนี้นะครับเราจะอยู่ในพรประการที่สามก็คืออ่อนโยนโอนมรดกครับอ่อนโยนโอนมรดกครับก็คือบุคคลผู้ใดที่มีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคำว่าใจอ่อนโยนในที่นี้นะครับมีความหมายว่าสุภาพแต่เข้มแข็งภาษากฤีกใช้คําว่าพราเอสนะครับพราเอสสุภาพแต่เข้มแข็งนะครับและในขณะเดียวกัน ใจอ่อนโยนนี้ต้องยอมรับการสอนนี้ด้วยนะครับหมายถึงว่าหัวอ่อนนะครับหัวอ่อนนะครับใจอ่อนหัวอ่อนครับมีความหมายสองประการนี้พี่น้องครับให้เรามาดูแต่ละความหมายนะครับว่าความหมายแรกก็คือสุภาพนะครับสุภาพนะครับสุภาพนี้ไม่ได้หมายความว่าหน่อมแนมนะครับสุภาพนี้ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอแต่สุภาพเนี้ยก็คือการที่มีจิตใจอ่อนโยนอ่อนสุภาพนะครับอ่อนน้อมครับ จิต ใ, ใจอ่อนโยนอ่อนสุภาพและอ่อนน้อมทําให้ผมนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนะครับในภาษาอังกฤษเช้คําว่า I would be true แปลเป็นภาษาไทยว่าฉันจะซับซื่อนะครับเป็นเพลงที่หลายหลาโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคริสเตียนนะครับก็รับไปเป็นเพลงประจำโรงเรียนครับเพลงนี้มีเนื้อความอย่างนี้นะครับว่าฉันจะซับซื่อเพราะคนเชื่อถือไว้ใจฉันนะครับนี่ครับมาอย่างนี้ แล้วก็มีประโยคที่ผมชอบก็คือว่าฉันจะแข็งแรงเพราะต้องเข้มแข็งและอดทนฉันกล้าผจนเพราะมีสิ่งจําต้องสู้พี่น้องครับคนที่สุภาพนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนแอแต่เขาเข้มแข็งครับเขาอดทนครับเขาแข็งแรงนะครับและเขากล้าผจนเมื่อเขามีสิ่งจําเป็นที่เขาจะต้องลุกขึ้นมาและต่อสู้นะครับนี่คือ คุณลักษณะของคนที่ใจอ่อนโยนใจอ่อนสุภาพนะครับใจอ่อนสุภาพอย่าลืมนะครับพี่น้องครับไม่ใช่เป็นการอ่อนแอไม่ใช่เป็นการหน่อมแนมครับแต่ใจอ่อนสุภาพหมายถึงการสุภาพนะครับใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมที่แสดงออกมาพี่น้องครับคนที่มีใจอ่อนนะครับต้องหัวอ่อนนี่คือประการที่สองของความหมายคําว่าใจอ่อนโยนก็คือว่าเขานั้นจะต้องเป็นคนที่ยอมรับ คำสอนครับหมายความว่าเขาต้องพร้อมที่จะรับการฝึกนะครับการฝึกเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายการวัตถุประสงค์ที่ผู้ฝึกสอนได้จัดให้เขาผู้ฝึกสอนในที่นี้หมายถึงองค์พระเยซูเจ้าครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูกําลังเรียดร้องให้สาวกของพระองค์นั้นครับไม่เพียงแต่เขาจะต้องมีจิตใจบกพร่องนะครับ มีดูความรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณซึ่งจะนําเขามานะครับให้เขาได้รับความรอดให้เขาได้บังเกิดใหม่ประการต่อไปก็คือเขาจะต้องมีจิตใจที่เศร้าโศกเสียใจในความบาปที่เขาทําอยู่นะครับเพื่อที่เขาจะได้รับการเล่าลมเพื่อที่รับการโอบกอดจากพระเจ้าเพื่อที่พระเจ้าจะมาอยู่ข้างๆเขานะครับและก็ช่วยเหลือเขาแต่เขา ยังจะต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนและพร้อมที่จะรับคําสอนภาษาอังกฤษเรียกว่าคือ teachable นะครับคือสามารถที่จะรับคําสอนและสามารถที่จะสอนต่อได้ด้วยนี่คือสาวกของพระเยซูครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาต้องรับการฝึกครับ <c oughs> สาวกของพระเยซูมาถามพระเยซูว่าพระเยซูนอนที่ไหนพักที่ไหนพระเยซูบอกมาเถิดมาดูเถิดนั่นหมายความว่ามันจะต้อง pay the price นะครับก็คือจ่ายราคาในการติดตามพระเยซูครับ ไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีครับ Nothing is free นะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วครับพระคุณเนี่ยนะครับเป็น the only one thing that is free หมายความว่าจะเป็นอย่างเดียวครับที่เป็นของฟรีนะครับเป็นของที่ได้รับเปล่ า, ลาโดยไม่เสียอะไรเลยแต่หลังจากนั้นแล้วครับเราจะต้องใช้ศักยภาพใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ใช้บุคลิกภาพแห่งความเป็นมนุษย์ใหม่ นะครับเป็นคนใหม่ที่บังเกิดใหม่แล้วนี่ครับเข้าไปรับพระพรตามพระสัญญาพี่น้องครับพระคุณกับพระพรต่างกันตรงนี้นะครับพระคุณนี่คือสิ่งที่เราได้รับมาเปล่าๆยังไม่สมควรแต่เราได้นะครับยังไม่สมควร not deserve นะครับแต่เราได้นะครับนี่คือพระคุณให้เปล่าๆครับโดยพระกรุณาของพระเจ้าแต่พระพรครับเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขครับก็คือเงื่อนไข ตามพระสัญญาของพระเจ้าในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเงื่อนไขในข้อนี้นะครับก็คือเจ็ดใจที่อ่อนโยนครับจิตใจที่อ่อนโยนเขาจะได้รับแผ่นดิโ น, นโลกเป็นมรดกนี่คือพระพรครับนี่คือความสุขครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูถึงอา่าประการที่สองนะครับประการที่สองของบุญคุณภาพในพระพร อ, อย่างที่สามตรงนี้นะครับก็คือต้องยอมรับการฝึกการสอนได้นะครับ พระเยซูต้องการคนที่ติดตามพระองค์หรือสาวกของพระองค์ที่สามารถอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์การนำของพระองค์และการควบคุมดูแลของพระองค์คนคนนั้นนะครับต้องเป็นคนงานที่เข้มแข็งนะครับอดทนอ่อนสุภาพครับและมีจิตวิ ญ, ญญาณที่สุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมนะครับและตรงนี้นะครับเป็นที่มาของพระธรรมยากรบนะครับยากรบซึ่งเป็นน้องของพระเยซูได้เขียนเรื่องราวของการเป็นสาวกในขณะที่ว่าพี่น้องที่รัก ของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์นม่ใช่หรือพี่น้องครับคนยากจนในโลกนี้นะครับพระเจ้าเลือกเขาให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อเมื่อเขาเป็นคนมั่งมีในความเชื่อแล้วนะครับเขาได้รับการสอนและรับการฝึกนะครับจิตใจ มีความอ่อนสุภาพนะครับแต่เข้มแข็งนะครับเขาจะได้รับมรดกแผ่นดินโลกที่พระเจ้าสัญญาไว้เพราะฉะนั้นเราก็มาดูต่อไปครับว่ามรดกแผ่นดินโลกนี้คืออะไรนะครับมรดกแผ่นดินโลกนี้ก็คือการครอบครองนะรครับแผ่นดินโลกเมื่อครั้งปฐมกาลครับกลับไปเมื่อครั้งปฐมกาลนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมเอวานะครับพระเจ้าได้ให้อาดัมนั้นเป็นผู้ที่ครอบครองนะครับ พระเจ้าประทานโลกทั้งใบครับเป็นมดดกให้อาดัมครอบครองและเมียมนาคเหนือสิ่งเหล่านี้แต่เนื่องจากอาดัมนั้นได้ทำบาครับสิทธิการครอบครองก็ลดลงครับและเสียสิทธ์ไปให้มาสาตานมาสาตาล น, นั้นได้รับสิทธิตรงนี้แทนครับมันเข้ามาครอบครองโลกนี้แทนอาดัมและเอวาโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความมืดความบาปและสิ่งชั่วร้ายมากมายครับแต่เมื่อถึงคนคนหนึ่งครับพระคัมภีร์พูดถึงอับราฮัมครับ ที่เขาได้รับมรดกนะครับตามพระสัญญานั่นคือมรดกโลกนี้นะครับเรามาดูนะครับในโรมบทที่สี่ข้อสิบสามนะครับเพราะพระสัญญาที่ประทานแก่อับราฮัมว่าจะได้ทั้งที่พบเป็นมรดกไม่ได้ได้มาด้วยคมบัญญัติแต่ได้มาด้วยความเชื่อพระเจ้าได้ทรงให้พระสัญญาผ่านอับราฮัมครับสายพันธุ์อิสอเอลและมรดกดังนั้นก็คือความเชื่อนั่นเอง ความเชื่อเป็นมรดกที่สืบทอดมาจากอับราฮัมทําให้เราทั้งหลายได้ครอบครองแผ่นดินโลกนี้พี่น้องครับในกาลาเทียบทที่สามข้อสิบสีษษนะครับเพื่อพระพรจากอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติเพราะพระเยซูคริสเพื่อเราจะได้รับพระวิญ ญ, ญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อโรมที่สี่บสีครับถ้าเขาเหล่านั้นที่ถือธรรมบัญญัติจะเป็นทาญาตความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์เพราะธรรมบัญญัติเป็นเหตุให้มีการลงพระอาั ญ, ญา ตัวเห็นนี้เองการได้รับมรดกจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นไปตามพระคุณพี่น้องครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าพระคุณนั้นได้มาเปล่าๆครับความเชื่อนั้นเป็นพระคุณที่พระเจ้าให้กับเราให้กับอับราฮัมเพราะฉะนั้นมรดกนี้เป็นมรดกที่เราได้รับจากพระเจ้าโดยพันธสัญญาผ่านทางพระเยซูเพราะเหตุที่ว่าเราไม่สมบูรณ์ครับแต่พระเยซูกิตดมารับเอาความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดไว้ที่ไม้ยังเขีแล้วนะครับ และพระเยซูได้คืนสิทธิที่อำนาจที่จะครอบครองมรดกแผ่นดินโลกนี้ให้กับพวกเรานะครับซึ่งเป็นคนที่ไว้วางใจพระเยซูด้วยเหตุนี้เราทุกคนที ux, n, ่เชื่อในพระเยซูจึงมีสิทธิทอำนาจนะครับนะครับในโลกนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกนี้ซึ่งเป็นมรดกทางความเชื่อแผ่นดินโลกนี้นะครับไม่เป็นทรัพสมบัติครับแต่แผ่นดินโลกนี้ก็คือคนนั่นเองนะครับพี่น้องครับใครที่มีใจอ่อนโยนนะครับ เขาจะได้ใจคนอื่นใครนีจ่จะมีใจสุขภาพนะครับเขาจะได้รับใจคนอื่นเขาจะได้ใจคนอื่นใครที่ยอมรับการสอนเขาจะมีความสามารถเหนือคนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือการอวยพรจากพระเจ้าครับในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการงานหน้าที่นะครับความชีวิตส่วนตัวครอบครัวการเงินสุขภาพต่างๆนะครับเมื่อเราเชื่อนะครับเราจะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้า เพราะฉะนั้นมรดกนั้นจึงเป็นเหตุที่ทําให้เราได้พรให้คนอื่นได้พรนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราช่องประกาศข่าวดีนี้ออกไปนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกนะครับผู้นั้นจะมีใจอ่อนโยนอ่อนสุภาพนะครับเข้มแข็งอดทนและยอมรับการสอนขอพระเจ้าช่วยและอวยพ ร, พ, รพี่น้องแท้ทุกท่านในเช้าวันนี้อเมน